ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลันนันทาเรียกภิกษุณีที่สงฆ์พร้อมเพียงกันลงอุเเขปปณียกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการโรคสงฆ์ไม่รับรู้ฉันท่าของคณะจริงหรือพวกภิกษุทนรับว่า